ว่าผีปากไขกันนด้ตามสถานะของพวกเราฐานะของพวกเราก็อยู่ในสมบกจนจนเท่าไรยิ่งดีทุกเท่าไรยิ่งดีความสุดวกสบายนะมันหลงง่ายอันความทุกข์ความยากมันไม่ประมาทไม่ว่าอะไรก็าตามผู้ดใดประมาทแล้วในการก่อนภาหลังไม่ประมาท ชื่อว่าสร้างโลกให้สว่างแล้วโหนพระจันทร์พ้นจากเมฆถ้าประมาทแล้วประมาทอีกก็ถือว่ามืดมามืดไปก็ไม่เพ่มค่าชีวิตของเราที่เกิดมาตัวจริงนี่แหละการรู้สึกตัวรู้สึกตัวน่ยนการพัฒนาต้นต้นตั้งต้นเหมือนรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ประมาท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 มันถูกต้องเสมอไปถ้ามีสตินั้นจะเป็นโทสะจริตโมหจริตลาขาจริตต ร, ร, รอด ถ, ถึงพุท ธ, ธจริตไม่เลื่อนใจสท า, าในคำสอนเกิดขึ้นมาเลยถ้าเรามีสติเออเราสัมผัสตูแล้วเป็ความถูกต้องที่สุดเวลาเราเดินจงกลงงมหงุ่นคุณคิดนันก็มีรสชาติความคิดเนี่ยเพรามันงเคยชิน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 ยาดีแต่ไปเอามากินดีขนาดไหนก็ไม่สาเร็จประโยชน์ตาโดนตาไ ด, าได้ได้ยาผีบอกมะลืมไปนะ <c oughs> เราส่งมาอย่ารั่วกครที <c oughs> ่ไหนแค่ไหเขาส่งมาเขาก็บอกว่าห้ามเก็บไปให้ส่งไปให้คอนอื่นเต้ยไปยาดีถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่สาเร็จประโยชน์เราเคยสวดพระสูตร เวลาเราไปสวดมนต์ในบ้านสกัตตวาพุทธรัตตนังสกัตตวะธรรมลัตตนังสกัตตวาสังขรัตตนังโอสัตถังโอตมะงวลังพระทุกขาสัพะโลคาสัพะปัญาที่นาสัยะผลิตตังปุถะมังคลังสนั่งมนต์อันนี้ก็โอสัอันหนึ่งไม่ว่าจริงเลยถ้าเราไม่ใช่ พุทธลัทธนางเฮละาเหล่าโราป่วยพุทธังสรณันางขจ้ามิพระพุเจ้าเป็นสรัทธาอันเสริของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรันี้แล้วจึงพ้นจาทกทุกข์ทั้งปวงเลยลองดูลองดูลกเอายาขนาด น, นี้ไปใช้ดูเวลาเกิดทุกข์โศกโรคภัยอะไรต่างๆก็ต่างให้ะระลึกถึง พุทธคุณธรรมคุณสงฆคุณอย่าโทษทิ้งเวลาเจ็บควบเจ็บเอาไปกินหมดไม่เคยนึกคิดไม่เคยฝึกหัดตัวเองแล้วก็หลงเข้าไปยิ่งเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยยิ่งเป็นเวลาที่หลงแต่ถ้าเราฝึกแล้วเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยยิ่งเป็นเวลาที่รู้แม่นยําชัดเจนมากันนั้น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 เตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบ้งก่อนเดิดโบราณท่านสอนไม่มีการเตรียมตัวอะไรมันก็จนไม่ควรจนก็จนไปทาอื่นก่อนรู้ไม่รู้จากทิศจากทางั้นที่เราพูกขา น, นี่ไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์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 พึ่งพาอาศัยละ่ะเป็นนิมิตยิ่งเราประหัดได้สัมผัสกับพระธรรมก็ยิ่งดีอ่ะเวลาจนมาเราเป็นยังไงอาจจะไม่ได้คิดอะไร ย, ยิ่งจนก็ไปบอกเขาว่าพุทธโธพุทธโธว่าไ่ถูกบอกเขาว่าอรหังอรหังก็บอกไ่ถูกกรคนขว่านี่ผูอเท่าผู้หญิงคนหนึ่งนะ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 เราจะมาหัดใช้สติของเราเน่ะเตรียมเอาไวา้มันจะชำได้จำนานมันก็หัดตั้งแต่ที่แรกเด้อต่อไปไม่ต้องหัดเลยมันจะเป็นไปนเองก็เห็นอยู่กับตาแท้ๆเวลาให้นั่งสร้างจัว่าะให้รู้สึกตัวสิบสี่จังหวะหนงลูสองลูส3ม ล, ลูมันมีถึงสิบสี่จังหวะไหมรู้สิบสี่ครั้งไหมวินาทีแล้สิบสี่ลูไหม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 ชวนเด็กด้วยกันลงกวนกวนกวนกวนกวนเตะน้ากวนจนขุนจนแหลกไปเลยกบมันก็วิ่งอยู่มเหนื่อยมันก็คูหน้ามาจับก็มีเขาหนึ่งนะเขาหนึ่งก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวกบแต่เห็นน้ํามันกรเพื่อมจมลงไปนะนึกว่ากบก็งมกันจับไปวันนี้นะทุกทุกทุกต่างคนต่างเอาแล้ามันติดจับไปจะมาจับยกขึ้นเป็นงูงูเสิอ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 ุองใวันรังเคจีรโลดังได้ก็เข้าเจิบเขายินน้ำเขาบอกก็ว่าห้ยหลงตาซอยไหนบอกเล้าแต่พอซอยตัวเองได้บอกท่งวัดจุกโตนั่กย่ามนั้นก็ไปหากันมันก็ว่าไห้ย่ามเป็นๆอยู่นาเฮาจะมาหัดจะของมันดีแท้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 ใส่ได้มันก็อิ่งันอื่นบสถคอยปลอดภัยก็จึงมาเห็นกับตาเนาะวี่ใหม่รับวันที่สามเรามันใหม่เอี่ยมชีวิตเราต้องต้นใบ ไ, ไมดีดีๆอย่าอ่อนแท่ที่ไดบอกพ่สะดวกกันพาออยู่นี่ได้อยากให้มพอยู่นี่อยากเห็่อยู่นี่ คนเห็นก้นมาอยู่วัดอยู่ว่านดีใจร้อยลยคือจรงนีประโยชน์ตรงหน้อยนะคนบางที่พูดมากก็ว่าบาทนี้ทนเราปฏิโตมอว ส, สัตฯเนาสซนทรี่ไปถามเมื่อแล้วหนาะซนเดี่กับนิมนโมนหลดที่ไปนอนโยนตึกสงไปนอ น, ยนอยู่นย่าหมูเว่นมากย่ามาจ่าวเป็นบาทรเลาะนั้น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 ใช่ดา ล, าล่ารัสมัยหลวงพ่อโบเคยติดเฮโรอีนแต่เบลคนหนึ่งติดเฮโรอีนเขาเลิกได้แล้วเขาไปน่วกันกับหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อโบเขาหลุดสวยบ่หูวจักอย่างละเบิดคนฉี่ยามาบอกแล้วอ้ยหันเลยหลุยหลุยไบ่หัวจับ ก, กัน น, นั่นตัอเมื่อหลวงพ่อโบเสร็จโบจะมาดีดีบ่ฟังเลย บ่งคนจิยว่าบองสามกวเหมืนฐานหามาโปะพี่ไอนเขาจึงเคยเจ็บว่าคนเจ็ บ, บคเคยตายว่าคนที่ตายนัน ก, ก็ดีใจดูจากกันนะชวิตเท่าไมันผ่านตนนัวเนขันโบผ่านตัวเนี้บไม่เกรดเกรดชีวิตของมนุษย์เกยบไม่แต่ผ่านตัวเน้เกรดดีเดินเข้าสวรรค์นในพ่านเลย ถ้าเกตพอ ด, ดีเขาปฏิภาณมาแล้วเนะกตปฏิภาณต้องเกตโบเป็นเป็นผู้เห็นมันทุ ก, กเห็นมันทุกมันโกรธเห็นมันโกรธมันหลงเห็นมันหลงนี่เกตดีอันนี้ผ่านประตูไะไถ้าเป็นระพานไปเลยนะถ้าเป็นระพานไปเลเกตไมดีเหมือนเราเรียนสอบเขา้เอามหาวิทยาลัยถ้าเกตไม่ดีเขาไม่เข้าหรอก